ต่อไปข้อเจ็ดตุลยยาที่รณะในสัตตมีวิพัฒตุลยาที่รณะในสัตตมีสัตตมีขยายสัตตมีดูตัวอย่างที่ใช้มากที่สุดในภาษาบาลีเนี่ยสาวัถิยังวิหังรติเชตวนเนอณาถบินดิกัสอากราเมเคยฟังไว้บ่อยใช่ไหมคบเนี่ย <Yeah. S 1> วิหังรติ <Yeah. S 1> ก่อนหน้านี้ก็มันมามากกว่านี้หมายถึงพุทธโธพะคะ ว, วาแต่ว่าไม่เอาเอาสั้นๆแค่เนี้ย วิหารกติประทับอยู่หมายถึงกิริยาของพระพุทธเจ้าวิหารกติประทับอยู่เชตวันเนในพระเชตวันในพระเชตวันอังราเมอันเป็นวัดอันเป็นอังรามอนาถปิณดิกัสของอนาถปิณดิกาเศรษฐีสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถี ในเมืองสาวัตถีใกล้เมืองสาวัตถีเชตวันเนกับอ่างราเมเนี่ยเป็นสัตตมีขยายกันสาวัตถียังไม่เกี่ยวครับเข้าขึ้นมาไงประทับอยู่ในสาวัตถีแล้วไงก็เชตวันเนี่ยมันจุดเล็กๆในเมืองสาวัตถีถ้าถ้าบอกว่าประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีอยู่ตรงไหนอะเอาสมิงเป็นเอเหมือนปุริเสงไง ปุริเสปุริสัมหีปุริสัตสมิงปุริเสสุเนี่ยก็สมิงเป็นเอเนี่ยต่อไปข้อสองอิมัตสมิงวิหารเรอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิคําอธิษฐานเข้าภาษาของพระโยมก็ใช้เหมือนกันอุเปมิขปเจ้านะอุเปมิขอเข้าอยู่อุเปมิเนี่ยย่อมเข้าอยู่ อุเปมิย่อมเข้าอยู่วัดสั ง, ว, ส ง, ง, งวัดสังซึ่งพันสาวัดสังซึ่งพันสาอิมังเตมาสังตลอดสามเดือนนี้ตลอดสามเดือนนี้อิมัตสมิงวิหารเรในวัดแห่งนี้หรือจะบอกว่าอยู่เจ้ามัสาในวัดแห่งนี้ตลอดสามเดือนนี้อย่างนี้ก็ได้ ข้าพเจ้าเข้าอยู่จำพรรษาในวัดแห่งนี้ตลอดสมเดือนนี้ไม่ครบสมเดือนไม่ไปไหนอิมัสหมิงแปลว่านี้อิมังกาวนี้แต่มันขยายสตรมีอิมัสหมิงวิหางเรในวัดแห่งนี้อิมังขยายเตมาสังเป็นธุติยาไม่พูดถึงอิมัสมิงขยายวิหารเรเป็นสตรมีครบ3มเดือนจริงๆนะสามเดือนต้อง3มเดือน ไม่ใช่เอาตามวันที่นะเข้าวันที่หนึ่งออกวันที่สาเอดไม่ใช่เพราะว่าพอนับโดยเดือนแล้วเนี่ยจํานวนวันมันไม่เท่ากันเดียวสาิบเดียวสาิบเอ็ดไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งนะกี่วันจะกําหนดว่าเดือนหนึ่งกี่วันแต่ถ้าจันทรคติกําหนดได้แน่เลยว่าเดือนหนึ่งมียี่สิกับสาสิบเดือนไหนลงยนต์ยี่ิบเก้าไอ้ไปขอไปเดือนไหนสามสิบสามเอ็ดไม่ใช่ยี่สิบเก้าสสวัาสิบเอ็ดเดือนไหนลงยนต์สาสิบ เดือนไหนลงคมสามสิบเอ็ดแต่ว่าถ้าจันทรคติเนี่ยจะนับตรงที่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะมียี่สิบเก้ากับสามสิบถ้าเดือนคี่ลงที่ยี่สเก้าวันถ้าเดือนคู่ลงที่สามสิบวันเดือนคี่ยี่สิบเก้าวันเพราะเดือนคี่เนี่ยดับสิบสี่ค่ำเดือนไอเดือนสามเดือนห้าใช่ถ้าเดือนคี่เนี่ยมันดับสิบสี่คาำดังนั้นข้าง ข้างแรมไอ้ข้างขึ้นเนี่ยสิบห้าค่แต่ข้างแรมมันสิบสี่ค่ำดังนั้นเดือนหนึ่งได้แค่ยี่สิบเก้าวันส่วนเดือนคู่ทั้งข้างขึ้นข้างแรมสิบห้าค่ำเหมือนกันหมดนันก็จะนับได้สามสิบวันอัง น, นั้นตั้งแต่เดือนแปดถึงเดือนสิบเอ็ดเนี่ยก็เดือนเก้าไง <9. S 1> เดือนสิบเ <9. S 1> อ็ดไงขี้เลยอ่ะแปดสิบเนี่ยคู่เก้าสิบเอ็ดเนี่ยขี้ <9. S 2> เขานับจันทรคติไม่เหมือนกัน ขนับเดือนผิดกันทีนี้อย่างเดือน8ดเนี่ยนะทีนี้เข้าพรรษาเนี่ยถ้านับโดยชื่อเดือนมันมีตั้งสเดือนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมันมีสี่เดือนแต่ว่าเดือน8กับเดือนสิเ็ดเนี่ยเอามาเดือนละครึ่งดังนั้นเข้าพรรษาจึงกลางเดือน8ออกพรรษากลางเดือนสิบเอดคำว่ากลางเดือน8ดเนี่ยก็คือนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งา่ำเดือนแปดงั้นแรมหนึ่งา่ำเดือนแปดเนี่ยจะไปจบลงที่แรมสิบห้าค่ำ แล้วขึ้นใหม่เดือน9ก้าก็นับ15บค่ำเดือนแรกเนี่ยสาวันเต็ม30มวันเต็มทีนี้พอเดือนที่2กลางเดือน9ถึงกลางเดือน10กลางเดือน9้าเนี่ยดับที่ส4บสี่ค่ำแต่ขึ้นเดือน10เนี่ยขึ้น15บหาค่ำดังนั้นเดือนที่สองเข้าพรรษาจะได้29วันและเดือนที่สมอีก30วันดังนั้นรวมแล้วเข้าพรรษา3าเดือนเนี่ยได้89วัน ไม่ถึง90วันก็ไม่ทำไงแต่พูดให้ฟังว่าท่านับโดยวันแล้วไม่ได้กี่วันไม่ใช่3เดือนเดี๋ยวท่านอย่งงงเอสมเดือนก็คือเขอ้าพรรษาเนี่ยบันเดือนกรกฎากรกฎามัน31อวันนี่นะนะพอไปเดือนสิงหาคมก็31อวันอีกเป็น62วันแล้วใช่ไหมถ้าท่านนับแบบนั้นแหะท่านจะนับอย่างเนี้มีพอไปถึงเดือนกันยาเออ30วันอะนี่9กบสวันและสามเดือน ออกเดือนตุลาตุลาอีกสาสบอวันอ้าว <rook 1 S 1> มันร้อี่สิาวันแล้วมีวันนี้ต่อไปข้อสุดท้ายข้อสกุศเลสุธรรมเมศุลกรามติหมายถึงมโนนะประธานในมโนมโนใจกรามติย่อมยินดีกุศเลสุธรรมเมสุในธรรมอันเป็นกุศลใจยินดีในธรรมอันเป็นกุศลนี่ใจของใครปัณฑิตตัดสั jang. ของบัณฑิตถ้าพารัสสะก็อากุสเลสุรมเมสุในบาปอกุศลนั่นแหละทั้งสามข้อแปลตั้งแต่ข้อหถึงข้อเจเนี่ยเชตวันนานาะอางรามัสมาอเปติย่อมหลีกออกจากวัดชื่อว่าเชตวันปุพายะิสายะอิมังฐานังอาคโต มาแล้วสู่ที่แห่งนี้จากพิศตะวันออกทิสาปาโมคขาอาจารย์กริยะโตสิปังอุคันหาติคันหาตุจงเรียนเอาศิละปะจากอาจารย์ทิสาปาโมกอานาถบินดิกัสะเศติโนโออังกามังเชตวันนางคะโต ไปสู่วัดพระเชตวันอันเป็นอางกรามของนาทะปินดิกะเศรษฐีสุหัชนานังชานานังคามาโตพัตตังยาจติขออาหารจากบ้านของคนใจดีทั้งหลายเอกศัสดิ์ปุริสัตสักพันยาปุตังวิชายิ ภรรยาของบุรุษคนหนึ่งคลอดบุตรแล้วสาวัตถิยังวิหงรติเชตวันเนอนาถาปินดิกัส า, านราเมประทับอยู่ในพระเชตวันอันเป็นอางรามของอนาถาปินดิกาเศรษฐีใกล้เมืองสาวัตถี อิมัสมิงวิหารเรอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิขอเข้าอยู่จำพรรษาในวัดแห่งนี้ตลอดสามเดือนนี้กุสเลสุธรรมเมสูงก ร, รรมติย่อมยินดีในธรรมอันเป็นกุศลวิหักรกติกริยาส่วนอตุนญาที่กรณะ น, นั้นบทขยาย มีวิพัฒน์ต่างจากบทที่ถูกขยายนักศึกษาได้เห็นประโยคตัวอย่างมามากแล้วตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าก่อนวิเศษณนะ์ตุริยธิกันณะเนี่ยอย่างเช่นทิยาขยายด้วยตติยาขยายด้วยจตุถีขยายด้วยปัญจมีอะไรเนี่ยมันขยายแตกต่างกันไปเรื่อยๆจบหลักสูตรแปรบาลีเป็นไทยระดับที่หนึ่ง